ขันธ์ธรมยังอานาปานาสติปาตังภนามะเสงอานาปานาสติวิกาเวปาวิตาภูริกาตาสุปปิสุทั้งหลายอานาปานาสติอนุลนพลเจริญตามให้มากแล้ว มาปะลาโอทิมาหาทั้งสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่อน า, านาปานสตติภิกษเวปาวิต า, าหุลิขะทายสก่อนิสุขทัาาา้งหายอาณาปานสตติอันบุคคลจะเรียนทำให้มากแล้วจะได้ สติปัฏานปาิภูริสิกยอมทาสติปัานทั้งปีให้คนได้บุญจันทาร้สติปัฏฐานาับวิถาพระภูรกถาสติปัานทั้งปีอันบุคคลจะเริ่นทให้มากแล้วโคจังเกปาริภูรนสิ ่องทำพุทธงทั้งเกตให้บริบูรณ์กาตาโกจังกาปาวิสาภูริกตาพู้โยงทั้งเกตท่นบุคคเจะเริ่มทำให้มากแล้วที่ชาลิมุติปะริปเริทีฌองทำวิชาเริ่มมุตให้บริบูรณ์ การบาริตาชวิคเวอาณาปณะสติการบารุลิกตาดูคนที่ดูทั้งหายก็หาณาปาสติอานทุคนจะริ่มทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหามารโมติมหานิสงสาร มีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่เอตาติกเวติคูสุก่อนสิสุทั้งหลายสิสุใครธรรมวิไธนี้ใารญาตกัโทวานไปแล้วสุภาก็ทางสุกัโุรักกัโทวานไปแล้วสุผลไา้ก็ทาง ตาราลัตโตวังายแล้วดูเรือว่างก็ตามเอสิสัติวันลังกาาูุิสวารสนั่งผู้ขาเข้ามาโดยรอบแล้วผู้จงกายังปนิทายยังไปมุขขันติมุขปฏิเิตฐวางสังกายตรงทำรงสติมัน โตสตโตวาอัจจสมาติจัตโตปาัสมาติเทตุนันติภูม <tycznie>. ิสัตติยุตนญาณเดียวหายใจออกสัติิยุหายใจเข้าสีคังวาอัจจสนโทสีขังอัจจสมิติปัจจานาต ที่สุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ที่ครังว่าปัสสะสัมโดที่ครังปัสสาสมาธิปัจจานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาว าาา ส, รราสามีราชังวาอาศัสนโตราชังอศัสามิสิปะชาณะติที่สุัเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ถึงตัวตัวถึงว่าเราหายใจออกสันน้นสามีราชังวาปัสัสนโต รา a ัม m p a า n a s a m e ปชา a า a n a t i ืูหายใจเขา้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเขา้าสั้นตานี้ถาภากาวยาปะกิสมเวทิอาศิตสามิติสิกิติปีตนันยมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกทางนี้รับประกายปฏิสังเวสิปัสสิสสามิสิสขัตสิพร้อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อจะพอซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าทางนี้ ปาสัมปยางกายสัมฆารังอาศิตสามิเตกาเตเตศุนายนทำในอดถึงาวาเราเป็นผู้ทำกายสังฆานให้รังอับอยู่จากหายใจออกทางนี้ป่าสัมปยางกายสัมฆารังอาศิตสามิเตกาเต ยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังคาให้ระงักอยู่จากหายใจเข้าทางนี้เอติปฏิทังเวติอาสิตาณีติสิกาติทีตุนั้นยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ความเฉพาะซึ่งปีติ จากหาใจออกทางนี้ปิติปฏิสังเวติปัสติสานิเตศิกาเตย่อมทำนายบุตรสาวพร้อมเป็นผู้รูร้พร้อมจะก่อซึ่งปิติอยากหายใจเข้าทางนี้ตูกาปฏิสังเวสิอาติสานิเติกาเต ที่สูงนั้นยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพอซึาา่งสุขจยากหายใจออกตามนี้สุขภาพิีสงเวทีปัสสิสสามีทิสิกาติยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพอซึ่งสุขจยากหายใจเขา้าตามนี้ เจตสังขาราปติสังเวสิภัสสลามิเตชิตาเตที่สุนันย์ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งเจตสังขารจากหายใจออกท่านี้เจตสังขาราปติสังเวทิภัสสลามิเตชิตาเต ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร ja ้อมจะพ่อซึงจิตสัตย์สังหารจะหายใจเข้าทางนี้ความจมตัวยังจิตสัตย์สังหารอาศัยสามีเศรษฐกิจเสุนันย่อมทาในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตสตสังหานให้ลังอัดอยู่ จากหายใจออกตางนี้ตาสมัยยังจิตตาสงขารปัสสะเสตานิเตสิกาติยอมทำนายบทศรัทธาเราเป็นผู้ทำจิตตาสงขารให้รงับอยู่ากหายใจเข้าทางนี้เจตาปัสสะเวทีอาสาเสตาิเตสิกติ ที่สนั้อมทำในบทศึกษาวาเราเป็นผู้รูร้เพราะเฉพาะที่จิจากหายใจออกตามนี้เรียสาปติสังเวชิปัสสิสามมิสิกาติธธาายอมทำในบทศึกษาวาเราเป็นผู้รูร้เพราะเฉพาะที่จิตอากหายใจเขา้าตามนี้ อากิสัมโมจายังจิตาังอาศิตสัมิติสิกขิตี่สุนันยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทาจิตให้ประโมทิงอยู่จากหายใจออกดังนี้อากิสมโมจายังจิตังปฏิสิสมิติสิกขิตยอมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาิดให้มาโทษจิงอยู่ยากหายใจเขา้าวางนี้รจรรมะทังจิตาอาชะติสามีที่ศีกัดดีปีตูนั่งยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้ทำาิดให้ตั้งมันอยู่อยากหายใจออกตางนี้ สามัญจิตตังปัสสะสิสามีสิกาติยอมทำในอดิศาวาเราเป็นผู้ทำผิดให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าทำนี้เวโมยใจยังจิตตังอาสะสิสามีสิกาติเชื่อถืองานยอมทำในอดิศาวา เราเป็นผู้ทำจิดให้ตัวอยู่จากหายใจออกทามนี้รีโรยอยอยังจิตทางปัจจิยสามีิีสิกาตจยอมัมในบทศลเทาว่าเราเป็นผู้ทำจิดให้กอยู่จากหายใจเข้าทามนี้ อาเิจานุปัสสิอาศิตสมาธิสิกขาติเสื่องต้นยอมทาในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําจากขันใจอกทำมิอาเนจานุปัสสิปัสสิสมาธิสิกขาติยอมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผ ah ู้ทำเห็นซึ่งความไม่เทียงอยู่เป็นประจำจากหายใจก้าทำนี้เวราการุปเสอาศัยทำมี้เปสิ่งเดียสุนั้นยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำเห็นซึ่งความจางช้าอยู่เป็นประจำจากหายใจออกทำนี้ เทาดานุปัสสิปัสสิสานิสิสิกขะิย่อมทาในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำเห็นซึ่งความจำใครอยู่เป็นประจําจาหายใจเราทางนี้เทอดานุปัสสิปัสสิสานิสิสิกขะสิเทสนันย่อมทาในบทศึกษาว่า เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม้เหลืออยู่เป็นประจําจากหายใจออกดังนี้นโรธาลูกาสปัสสิสตาเนติสิกาสีโยมธรราในบทสิกาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจําจากหายใจเข้าดังนี้ ปาจิจเนสคานุปัเจเอาศัตตสามเนติสิกาเตเปโหนัญจมรรมในบทศึกาว่าเราเป็นผู้ทงเห็นซึ่งความสลัดขึ้นอยู่เก่ประจาจากหายใจออกทางนี้ปาจิจเนสคานุปัสเาสัิเจตสัมเนติสิกธเต ย่อมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดตื้นอยู่เป็นประจันจากหายใจเขา้าทางนี้เกวังพาปิตาโกพิกเวอาณาปานาัติเกวังพาอุิกาตาลุก่อนที่สุขังนัย อันบุคคลจะเล้วทวามไม่มากแล้วจะไม่แล้วมาภเลาทิ่มาในสังซ่าก็มีคนใหญ่มีอานในสงญ่